เกิดเป็นทุกข์ตายเป็นสุขจริงหรือปัญหาข้อนี้ไม่ได้มีใครเป็นผู้ถามแต่ท่านพรารบขึ้นมาเองเนื่องจากท่านได้ไปฟังปัจกถาที่แผนธรรมวิจัยเมื่อหลายอาทิตย์ล่วงมาแล้วซึ่งสุภาพสตรีผู้หนึ่งได้แสดงปัจกถาในหัวข้อว่าเกิดเป็นทุกข์ตายเป็นสุขซึ่งผู้แสดงปักถาพยายามที่จะอธิบายให้ท่านผู้ฟังเห็นว่า การเกิดเป็นทุกข์อย่างไรและการตายเป็นสุขอย่างไรท่านฟังแล้วท่านรู้สึกว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงเกรงว่าคนส่วนมากจะเข้าใจผิดเพราะโดยปกติก็มักจะเข้าใจอยู่แล้วว่าตายแล้วก็หมดเรื่อง้นทุกข์พ้นร้อนคนที่ฟังก็อาจเข้าใจว่าการตายเป็นความสุขจริงๆแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าหากคนไหนในขณะที่ตายเป็นสุขเกิดใหม่ก็เป็นสุข ท่านในขณะที่ตายซึ่งไม่ว่าจะตายจากคนหรือตายจากโอปปาติกะท่านในขณะที่ตายเป็นทุกข์เกิดใหม่ก็เป็นทุกข์จะไม่มีการกลับกันดังที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ตายเป็นสุขเมื่อท่านได้ปรารบให้ข้าพเจ้าฟังเช่นนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่คนทั่วไปควรจะรู้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้พยายามซักถามรายละเอียดซึ่งในที่สุดก็ได้ความดังต่อไปนี้ ท่านบอกว่าขอให้นึกถึงพุทธพจน์ที่รู้กันดีว่าเมื่อจิตเศร้าหมองทุกติก็เป็นอันหวังได้ถ้าจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้โดยธรรมดาในขณะที่คนเราจะตายจะควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกับคนที่นอนหลับสนิทแล้วฝันในขณะที่ฝันเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่เหมือนกับในเวลาตื่น เมื่อเรานึกถึงเรื่องอะไรอยู่หรือนึกวาดภาพอะไรอยู่ในใจเราอาจจะนึกไปตามที่เราปรารถนาได้แต่ในเมื่อเราหลับแล้วเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้และก่อนที่จะหลับเราจะบอกกับตัวเองว่าให้ฝันอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยอมทำไม่ได้แต่มันก็มีกฎอยู่ว่าถ้าโดยปกติในชีวิตประจำวันเราเป็นคนทำอะไรมีเหตุผล มีสติสัมปชัญญะรู้จักผิดรู้จักถูกและพยายามพูดแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีและนึกคิดไปในทางดีอยู่เสมอถ้าหากเราประพฤติตัวเช่นนี้ก็หมายความว่าเราได้พยายามสร้างแต่วิบากของความดีให้เกิดขึ้นในสันดานถ้าหากเราเป็นคนมีสันดานดีดังที่กล่าวมาก็เป็นอันหวังได้ว่าในขณะที่เรานอนหลับ เราจะต้องฝันดีเสมอและในขณะที่กำลังจะตายก็เหมือนกันจิตใจจะต้องเป็นสุขไม่ขุนมัวจะมีแต่ความเบิกบานแจม่มใสจะเข้าใจอะไรได้ถูกต้องแม้จะอยู่ในภาวะของความหลับหรือในภาวะของคนหมดสติหมดความรู้สึกตัวเพราะใกล้จะตายก็ตามก็จะเป็นคนมีเหตุผลเนืกอคิดอะไรในขณะนั้นจะประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะ เหมือนกับในเวลาตื่นทีเดียวในความหมายดังที่กล่าวมานี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขคติก็เป็นอันวังได้หมายความว่าในขณะที่ตายเมื่อใจเป็นสุขตายแล้วก็จะเป็นสุขเช่นเดียวกันทั้งนี้เพราะอะไรท่านบอกว่าเพราะวิบากของกรรมที่เป็นตัวนําปฏิสนธิในตอนนี้ จะเป็นผู้วางรากฐานของชีวิตในชาตินั้นทั้งหมดซึ่งหมายความว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายชะตาชีวิตจะต้องเป็นไปตามรากฐานที่วิบากอันเป็นตัวนำปฏิสนธินั้นเป็นผู้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นในเมื่อขณะที่กำลังจะตายใจเป็นสุขก็แสดงให้เห็นว่าวิบากของกุศลกำลังให้ผล และถ้าหากในขณะที่กําลังจะตายนี้ถ้าสังเกตเห็นได้ชัดว่าในขณะนั้นในใจมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยมีความเข้าใจลึกซึ้งในคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทางไหนก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วสมองของผู้นั้นก็จะแจ่มใสจําอะไรได้แม่นเข้าใจอะไรได้รวดเร็วและถ้าหากในขณะนั้น ในใจเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีความเสียสละความกล้าหาญความไม่กลัวตายเมื่อเกิดมาแล้วคุณสมบัติของสมองตลอดถึงบุคลิกลักษณะที่แสดงออกมาให้เห็นได้ในภายนอกก็จะบอกให้คนเด่นที่ํำนานในการดูลักษณะรู้ได้ทันทีว่าพื้นเดิมของเขาจะต้องเป็นคนมีความดีต่างๆเหล่านี้ สภาพของวิญญาณในขณะที่กำลังจะตายตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญที่สุดถ้าหากใจเป็นสุขเพราะมีแต่ความดีต่างๆเมื่อเกิดมาแล้วก็จะมีแต่ความสุขเป็นไปตามสภาพของความดีที่มีอยู่อันหนึง่งในขณะที่กำลังจะตายนั้นถ้าหากมีความปรารถนาที่จะเกิดมาทำอะไรหรือต้องการจะเป็นอะไร ถ้าหากความปรารถนาอันนั้นหนักแน่นมั่นคงและมีเหตุผลพอซึ่งหมายความว่าความปรารถนาอันนั้นมีทางที่จะเป็นไปได้เพราะความดีที่จะเกื้อกูลให้สำเร็จสมความปรารถนานั้นมีอยู่อย่างเพียงพอสําหรับในกรณีอย่างนี้เมื่อเกิดมาแล้วใครๆก็ไม่อาจที่จะเปลี่ยนความตั้งใจของเขาให้เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าความปรารถนาอันนี้ยังมีเหตุผลไม่พอ เขาก็อาจจะเปลี่ยนความปรารถนาอันนั้นได้ในเมื่อต้องประสบกับความผิดหวังบ่อยๆแต่ถึงกระนั้นก็เปลี่ยนยากความปรารถนาอันมีมาแต่เดิมนั้นจะเปลี่ยนไปได้ก็เพราะมีความปรารถนาอย่างอื่นที่รุนแรงกว่าหนักแน่นกว่าซ่อนอยู่ในสันดานเป็นความปรารถนาที่ไม่ได้แสดงออกในขณะที่กําลังจะตายเพราะไม่มีอารมณ์ที่จะมากระตุ้นความปรารถนาชนิดนี้ ถ้าหากไม่มีอารมณ์หรือไม่มีใครมาคุยเคียให้ถูกจุดแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ความปรารถนาที่ซ่อนอยู่นี้ถ้าถูกคุยเคียวออกมาและมีกาลังแข็งแรงพอเขาก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่เป็นไปตามความปรารถนาเดิมจงจำไว้ให้ดีว่าคนเราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในทางไหนก็ตาม จะต้องมีพื้นฐานในทางนั้นมาก่อนเสมอถ้าพื้นฐานเดิมไม่มีก็เปลี่ยนไม่ได้เช่นสมมติว่าในกอหลายชาติมาแล้วมีสายลักขโมยไม่มีเลยคนอย่างในกอนี้แม้จะให้คบกับโจครคลุกคลีอยู่กับโจรหรือแม้จะถูกบังคับถูกเกี่ยวเขียนให้เป็นโจรหรือจะให้รางวัลอย่างไรก็ตาม ในกอก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนชีวิตมาเป็นโจรได้เป็นอันขาดอย่างนี้เป็นตน้นใครจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในทางไหนเขาจะต้องมีพื้นฐานอย่างนั้นมาก่อนพระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนวิถีชีวิตของพระองค์คุลิมานให้เลิกจากการเป็นโจรแล้วให้หันกลับมาบวชเป็นพระซึ่งในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นั้น ก็เพราะพื้นฐานของพระองค์คุลิมานในทางกุศลมีมากพอที่จะให้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พระพุทธองค์จึงเสด็จไปโปรดได้ถ้าหากท่านมีพื้นฐานไม่พอแล้วพระองค์จะทรงสอนให้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เลยถ้าตายเป็นสุขเกิดก็ต้องเป็นสุขคําพูดประโยคนี้ ไม่มีการกลับกลายเป็นอย่างอื่นแต่ก็ต้องเข้าใจความหมายให้ดีและในธรรมนองเดียวกันถ้าตายเป็นทุกข์เกิดก็ต้องเป็นทุกข์ซึ่งหมายความว่าในขณะที่กำลังจะตายถ้าจิตใจเป็นทุกข์เพราะวิบาสของอกุศลกำลังให้ผลตายแล้วเกิดใหม่ก็ต้องเป็นทุกข์อีกเช่นบางคนเพราะมีความโลภหรือมีความรักที่ไม่มีเหตุผล ถึงกล่าวปล่อยวางก็ไม่รู้จักปล่อยยังมีความรักความอาลัยในทรัพสมบัติในญาติพี่น้องหรือในสิ่งใดก็ตามทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางที่จะเอาไปได้แล้วรู้แน่ว่าจะต้องจากไปเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็จะต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งควรจะปล่อยวางได้แล้วแต่ก็ไม่ปล่อยแสดงให้เห็นว่าตัญหาราคะโมหะอวิชชาอุปาทาน ที่สะสมเอาไว้กำลังให้ผลจิตใจจึงได้เป็นทุกข์หรือบางคนในขณะที่กำลังจะตายมีความอาฆาตพยาบาทในใจเต็มไปด้วยโทสะจิตใจเป็นทุกข์เร้าร้อนหรือบางคนรอเหตุที่เคยทำกรรมชั่วและทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมามากในเวลาจะตายภาพของเหตุการณ์ในหนหลังมาปรากฏหรือไม่เช่นนั้น บุคคลหรือสัตว์ที่ตัวเองเคยฆ่าหรือเคยทำความเดือดร้อนให้แก่เขาซึ่งเขาได้ตายไปก่อนแล้วและบัดนี้เขาซึ่งกาลังเกิดเป็นโอปปาติกาอยู่ได้มาคอยตามล้างตามผลานเพราะความโกรธแค้นของเขาคนที่กาลังจะตายเมื่อได้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้จิตใจก็ย่อมจะเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานต่างๆอย่าลืมว่า ในขณะที่คนเรากําลังจะตายนั้นควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกับคนที่นอนหลับแล้วฝันเพราะฉะนั้นในเมื่อตัวเองได้ทํำบาปเอาไว้มากในสันดานเต็มไปด้วยวิบาสของความชั่วร้ายต่างๆเมื่ออยู่ในฐานะอย่างนี้ก็จะต้องตายอย่างเป็นทุกข์แน่นอนและเมื่อเกิดใหม่ไม่ว่าจะเกิดเป็นคนหรือเป็นโอปปาติกะ ก็จะต้องได้รับความทุกข์ไปเกือบตลอดชาติและถ้าหากไม่มีกุศลอันใดที่จะเข้ามาช่วยเหลือได้บ้างแล้วก็จะอยู่ในความทุกข์ทรมานไปจนตลอดชีวิตทีเดียวคนในโลกมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์อย่างนี้ก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไปแต่ถึงกระนั้นภาพที่น่าสังเวชเหล่านี้ก็ยังไม่มากเท่ากับในโลกของโอปปาติกะท่านบอกว่า คนที่คิดฆ่าตัวตายเพื่อห น, นีจากความทุกข์ในโลกไม่มีแม้แต่รายเดียวที่ตายแล้วจะเป็นสุขคนที่ถูกเขาฆ่าตายถ้าหากทำใจให้เป็นสุขได้เหมือนท่านมหาตมาคานทีตายแล้วก็เป็นสุขท่านมหาตมาคานถีถูกคนร้ายยิงตายก่อนที่จะตายท่านก็สังหรณ์ใจมาก่อนแล้วว่าอาจจะถูกฝ่ายบรปากฆ่า แต่ท่านก็ได้ปรงตกแล้วและในขณะที่ถูกยิงและกําลังจะสุดตัวลงไปท่านก็ยังให้อภัยแผ่เมตตาให้กับคนที่ยิงความโกรธหรือความคุนเคืองแม้แต่เพียงนิดหนึ่งไม่มีอยู่ในดวงใจของท่านสาหรับท่านมหาตามาคานทีเมื่อตายแล้วก็เป็นสุขทันทีอันนี้ท่านบอกว่าท่านเข้าใจดีทีเดียวเพราะได้รู้จักลพบกันเสมอ คนหนึ่งคือท่านโซเครติสท่านถูกบังคับให้ต้องดื่มยาพิษท่านนักปราด์ของกรีกคนนี้ได้รู้จักสภาพของความตายเป็นอย่างดีท่านไม่กลัวตายเลยท่านเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่มนุษย์ในยุคนั้นท่านผู้นี้ก็อีกเหมือนกันแม้จะได้ชื่อว่าดื่มยาพิษฆ่าตัวเองแต่ท่านก็เป็นสุขก่อนที่จะตายและเมื่อตายแล้วท่านก็เป็นสุข คนที่ตายด้วยการถูกฆ่าหรือด้วยอุปถัมว์เหตุใดๆก็ตามถ้าหากใจเป็นสุขในขณะที่กำลังจะสิ้นใจก็เป็นอันหวังได้แน่นอนว่าเมื่อเกิดมาก็ต้องเป็นสุขแต่คนในโลกนี้ส่วนมากที่ฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่าตายหรือตายด้วยอุปถัมว์เหตุน้อยคนนักที่จะตายอย่างเป็นสุขในขณะที่ตาย มักจะได้รับการทรมานจากตันหาราคะจากความโลภจากโมหะหรือจากอาวิชชาของตัวเพราะฉะนั้นเท่าที่ท่านมองเห็นผู้เกิดใหม่ในโลกของออปปาติกะที่มาจากสภาพดังที่กล่าวมานี้ไม่ว่าไรายไหนเมื่อท่านเห็นแล้วล้วนแต่เป็นภาพที่น่าสังเวชได้สร้างความหนักใจให้แก่คนที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคนเหล่านี้มากมายเหลือเกิน และด้วยเหตุนี้อีกประการหนึ่งที่บุคคลในโลกของโอปปาติกะได้พยายามกันมาเป็นเวลานานนักหนาแล้วที่จะแจ้งข่าวอันนี้ให้มนุษย์ทราบในบางยุคก็รู้สึกว่างานอันนี้ได้รับผลดีคือมีคนในโลกมนุษย์ที่สามารถจะติดต่อกับคนที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะได้อย่างสมบูรณ์และมีแพร่หลายพอที่จะทาให้คนในโลกเข้าใจเรื่องนี้ได้ถูกต้อง แต่ในบางยุคอย่างที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่ายุคมืดยุคนี้เป็นยุคที่การติดต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกอบปติกะททำได้ยากอย่างที่สุดและถึงแม้จะมีบางคนอ้างว่าติดต่อได้ก็เป็นความหลอกลวงเสียมากกว่าไม่ได้นำข่าวที่แท้จริงมาบอกให้กับมนุษย์เลยก่อนจะจบตอนนี้ท่านยังแถมให้นิดหน่อยว่า สำหรับในยุคนี้รู้สึกว่าจะเป็นยุคแห่งวิญญาณเพราะคนที่ติดต่อกับโอปปปาติกาได้และได้ถ่ายทอดความรู้จากโลกโอปปาติกะมาสู่โลกมนุษย์นั้นผู้ที่ทำได้ผลพอประมาณรู้สึกว่ามีอยู่ทั่วไปและมีอยู่หลายประเทศแต่ที่นับว่าสมบูรณ์จริงๆนั้นยังไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นแห่งนี้คือที่สานักค้นคว้าทางวิญญาณนี้ หรือที่ไหนก็ตามเพราะตราบใดที่ยังไม่มีการพิสูจน์ออกมาอย่างข่าวสะอาดว่าคนที่ได้ตาทิพมีจริงคนที่ได้มโนมนยิทีมีจริงการถ่ายทอดความรู้ระหว่างโลกทั้งสองจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ไม่ได้